เวลาของหายเราก็มันจะขวนขวายในการหาหาไม่เจอก็หาหาจนกว่าจะเจอไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นเงินโทรศัพท์กุญแจแต่มีอย่างหนึ่งที่เวลาหายแล้วเราไม่ค่อย ผนขวายที่จะ <c oughs> หาเท่าไหร่นะนั่นคือใจของเรานั่นเองทั้งที่ใจนี่มันมีค่ายิ่งกว่าสมบัติทั้งหลายที่มีแล้ววันวันหนึ่งใจเราแล้วก็ หล่นหายไม่รู้อีกครั้งเคยเคยรู้หรือเคยสังเกตบ้างหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> เวลาของหายนี่โอ้โรู้ดีนะแต่เวลาใจหล่นหายไปหรือว่าหลงไปไหนไม่รู้อันนี้เราไม่ค่อยรู้หรือควนขวาย นะที่จะหาเท่าไหร่ใจมันหล่นหายไปไหนกนะ็มักจะหล่นหายไปกับไปอยู่กับอดีตบ้างนะอนาคตบ้างนะใจมันหลงไปนะบางทีก็หลงไปในอารมณ์นะเหมือนกับเหมือนกับเด็กหลงป่ากันะ เราเคยหลงป่าหรือเปล่าหรือถึงไม่เคยหลงป่าคงหลงทางใจเราก็อย่างนั้นเหมือนกันนะเวลาเวลาคิดเรื่องอะไรนึกถึงอะไรในอดีตเนี่ยโดยเพราะเรื่องที่เราดีใจสุดๆหรือว่าเสียใจสุดๆ หรือไม่เอาสุดๆก็ได้แค่ดีใจ ก, กลางๆเสียใจ ก, กลางๆก็ห่ือไม่แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เพิ่งผ่านไปวันสองวันจิตใจมันก็เผลอหลงจมหายเข้าไ ป, ไปในเรื่องราวเหล่านั้นนี่นเราก็ไม่ค่อยสนใจจะตามหาพากลับมา มันถึงก็หลงหายไปในกับเรื่องราวที่เราปรุงแต่งขึ้นมาว่าจะเกิดขึ้นมันยังไม่เกิดหรอกแตว่ว่าคิดไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นไปนึกถึงสิ่งที่ออกมาไม่ถึงมันไม่ใช่แค่นึกเฉยๆมันหลงไปเลยนะหลมมจมหายไป ไปโจมอยู่กับงานการที่ยังไม่เสร็จหรือว่าการบ้านที่ยังไม่ได้ทำหรือว่าการสอบนยะที่มันใกล้จะมาถึง บางทีก็คิดถึงเรื่องเที่ยวอต่ได้ไปเที่ยวแล้วนี่สาวอธิตฐ์นี้เอ่ใจมันก็ไปแล้วหรือว่าถ้าเป็นพระนี่ก็อาทิตย์วันนี้ก็ออกพรรษาแล้วออกพรรษาเสร็จก็ไม่นานก็ศึก๋อแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาแล้วว่าศึกแล้วจะทําอะไรบ้างจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปกินอะไร จะไปฉลองที่ไหนความรู้สึกมันเหมือนคนกำลังจะออกจากคุกดีใจริงโลดสร้างผ้าวางแผนใจมันก็จมหายเข้าไปแต่ก็เรื่องราวเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าไปแล้วคิดเป็นตัวเป็นตานี้อันนี้ก็เรียกว่าหลงมันนะใจมันหลงหายเข้าไปใน ความคิดก็จมก็ไปในอารมณ์ที่เรื่องเรื่องการก็หนักใจที่ถึงเรื่องไปเที่ยวก็ดีใจอันนี้ไม่สังเกตนะว่าใจมันหล่นหายไปแล้วหรือว่าหลงไปเราก็หาทางกลับมาไม่ถูก เหมือนกับเด็กหลงป่าบางทีทําวัดสวนมนต์นะกลังทําวัดสวนมนต์แท้ๆไปแล้วนะใจมันหล่นหายไปไหนไม่รู้นะใจมันจมหายไปในเรื่องราวที่เป็นอดีตบ้างอ น, นาคตบ้า ง, งทางด่างที่เพิ่งสวนมวน่ขณะที่กาลังสวดแท้ๆ บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพองถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปากพูดไปแต่ใจทําตรงข้ามนะหลงเข้าไปในอดีตนะจมหายเข้าไปในอนาคตปากพูดอย่างปากพูดแต่ใจทําอย่างน ก็ไม่รู้ตัวน ะ, ะเวลามันเป็นอย่างเงี้ยนะคิดขน้นคิดที่จะไปหาใจนะพาใจกลับมาหรือเปล่าเวลาของหายนี่ก็พยายามหาจนเจอนะแตเวลาใจมันหายไปไหนไม่รู้ไม่คิดจะหายหเจอเวลาใจมันหลงไปโน่นนี่ก็ไม่คิดทียจะหาพากลับมา กลับมาที่ไหนนะก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันวันหนึ่งมันหายไม่รู้อีกครั้งนะบางคนหายไปแล้วไม่กลับเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยตามหานี่แหละใหม่ๆก็ให้มันกลับมาเองนะกลับมาเองคิดไปเป็นคู่เป็นแคลแล้วก็เออกลับมา กลับมาเองกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเองแต่ว่าพอหนักเข้าหนักเข้าพอมีอะไรมากระทบแรงๆถูกโกงเงินหรือว่าถูกยึดบ้านธุรกิจล่มละลายาคนรักเกิดอุบัติเหตุตายทันกระทันหัน โอ้ตอนนี้อันนี้มันไม่กลับแล้วมันไปเลยมันจมหายไปมันจะจมดิ่งลงทะเลนั่นแ่ะบางคนก็พอเจอเหตุการณ์ลนี้ก็ปั่มปั่มเป๋อเป๋ อ, ปอใจลอยไม่เป็นผู้เป็นคน อย่างมีครูคนหนึ่งโดนโกงเงินไปแสนหนึ่งกนะุศากิพร้อมรอพี่มาต้องเยอะนะต้องนานนะแสนยังไม่ใช่น้อยสาหรับเธอเงินเดือนก็แคนะ่ไม่ถึงหมื่นหมื่นต้ น, ตนพอโดนโกนี่ไม่มีทางเอากลับมาได้นี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะไม่เป็นอะนรทำอะไรทั้งสิน้น คุณย่าบางคนคนใช้ทำสร้อยสร้อยเก่าแก่จากไม่รู้อายุเท่าไหร่จากบรรพบุรุษจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายทาหายไปเสียใจจนป่วยเลยป่วยหนักหลานนี่คิดว่าใกล้กตายแล้วอุตส่าห์ สัตตาหะไปเยี่ยมไปดูใจเนี่ยนึยกว่ามันเป็นมันเล็งหรือเป็นอะไรหรือเปล่าที่แท้ป่วยใจ ใ, ใจมันเรียกว่าไม่อยู่กันเนกับตัวแล้วโจมหายไปไหนไม่รู้ด้วยความเสียดายบางคก็เสียใจเสียใจผัวตายตายกะทันหัน ใจลอยเมือ่้อยใจมื่นึกไปถึงว่าผัวยังอยู่ที่บ้านเลยทุกวันก็โทรศัพท์ไปที่เบอร์ผัวอยากได้ฟังเสียงที่อัดไว้ทุกช้าก็ทำอาหารให้กินเอาอาหารทำอย่างดีมาวางไว้ข้างหน้าตรงโต๊ะที่เคยนั่ง แต่ไม่สนใจลูกสาวที่อ า, อายุแค่สิบสองไม่สนใจลูกสาวเลยใจ ย, ยังนึกไปยังหวนกลับไปถึงผัวที่ยังที่เพิ่งตายไปอันนี้เราหลงไปนะหลงไปจนกทั่งไม่ยอมกลับมาใจาไปอยู่กับอดีตไปแล้ว อั น, นี้พอปล่อยพอปล่อยให้ใจหลงพอปล่อยให้ใจ ล, อ, ใจใใจลอยไปเป็นประจำนะทีแรกก็มันก็ไปเรื่องไปมันก็ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยว ก, กลับมาแต่พอมันมีนิสัยแบบนี้แล้วนี่นะพอเจออะไรเรื่องแหลมๆมากระทบนี่มันไปเลยไม่ไม่ยอมกลับเลยมันหลงทางมองเขาเป็นบ้าไปเลยนะเรียกว่กลไม่กลับนะคนเป็นบ้าคือก็ใจมัน ตกลวนหายไปหลงไม่รู้อยู่ในเขาวงกฏเนะขาวงกฏนี่มันทางมันเลี้ยรถคดเคี้ยวมากออกมาไม่ได้หรือมันก็หลงป่าเงี้ยเป็นป่าอารมณนะ์ป่าอารมณ์ไอป่าที่อยู่ข้างนอกนะอันนี้มัน ยังพอหาทางกลับมาได้แต่บางทีป่าอารมณ์ที่มันอยู่ข้างในมนกลับมาไม่ได้น ะ, ะคนบ้าคนคนที่วิกลจริตเนี่ยนะจทต้ ง, ทงต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ก็คือพวกที่ปล่อยให้คนที่ใจมันหลงหาทางกลับมาไม่ได้นี่เพราะว่าไม่ ไม่ค่อยขวนขวายในการที่จะหาผาใจกลับมาตั้งแต่แร ก, แรกนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาใจมันหลงไปลอยไปไหนก็พยานะพยามนะพยายามเรียกกลับมาพากลับมาอย่าปล่อยมันให้มันลอยไปให้มันหลงไปอย่าไปคิดให้มันกลับมาเองต้องสร้างนะสร้างสร้างทิศสายใหม่ มันรู้ตัวไปบ่อยหมันรู้ตัวเวลาใจมันหลงไปวันวันหนึ่งนี่หลงไปหล่นหายไปเนี่ยใจเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าอย่าให้มันหายไปนานคนขวา้พากลับมาไปบ่อยพากลับมาบ่อย การทำความรู้สึกตัวนะองความรู้สึกตัวอยู่เสมอตื่นเช้าขึ้นมานะมันง่วงเหนืยไงก็พยายามสลัดความง่วงเหนืยทิ้งก็นะยื่นขยับนะไอการขยื่ขยับนี่มันทําให้เกิดความรู้สึกตัวยื่นมาเดินสติแบบหลวงพ่อเทียมีการยกมือมีการเดินตรงกลมนี่เป็นการ เป็นการเป็นการเหมือนกับสอนใจให้รู้จักตื่นตัวรู้สึกตัวเวลากายเคลื่อนไหวมันเป็นการสร้างนะสร้างความตื่นตัวให้กับใจ อันนี้พอเราคยันขยับเนี่ยถึงแม้จะไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่พอขยันขยับไปได้สักพักเออนะมันก็ว่าร่างกายมันส่งสัญญาณมามาสะกิดใจให้รู้สึกตัวการยกมือสร้างจังหวะเดินยงกลมทำไปบ่อยทำไปบ่อยนี่นะมันเป็นการสอนใจเป็นการย้ำใจนะ เป็นการย้ำเตือนใจว่าเวลากายยกกายยกเวลามือยกเนะท้าเดินนะก็ให้รู้สึกตัวย้ำอย่างเงี้ยย้ำไปบ่อยย้ำไปบ่อยนะบางทีมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกใจมันก็ไปโน่นไปนี่แต่ทําปบ่อยทำไบ่อยเนี่ยบางทียกมือไปได้สักห้านาทีถึงค่อยรู้สึกตัว แต่พอทําทไปทำไปมันจรู้สึกตัวไวขึ้นไวขึ้นคล้ายๆกับว่าการยกมือเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณส่งความรู้สึกไปสกิดใจนส่งความรู้สึกไปสกิดใจที่หลงให้กลับมาเราเคยเป็นไม่เวลาใจลอยๆแล้วมีคนมาแตะไหลมีคนมาแตะมือมีคนมาสกิดอ่าเรารู้ตัวเลย เนี่ยบางทีคิดไปนู่นคิดไปนนีค่นคิดกังวลเรื่องงานเรื่องการคิดกังวลเรื่องเรียนเรื่องสอบเนี่ยคิดว่าแผนการในานาคตไปลอยแล้วมีคนมาแตะมือแตะไหลมาสกิดอ่ะมันรู้สึกตัวเลยนะรู้สึกตัวคือว่าจิตใจมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะแต่คนเราไม่ต้องรอให้รู้สึกตัวเวลามีคนมาแตะมีคนมาสกิด อันนั้นไปพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปเราทําเราเองนะก็คือในการยกมือการสร้างจังหวะเดินจงกรมเนี่ยหรือแม้ตามลมหายใจก็ตามรมทั้งสกิทลมทั้งอรวมทั้งกระดิกนิ้วด้วยกระดิคนิ้วคลึงนิ้วพวเนี่ยนะตามไปทําไปเนี่ยถ้าทําด้วยความด้วยด้วยความพยายามเสียรู้สึกตัวนะ มันจะเล้อยๆกับเป็นการส่งส่งสัญญาณไปหรือว่าส่งความรู้สึกไปสะ ก, กิดใจเวลามันหลงเวลามันลอยไปความรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวความรู้สึกว่าเท้ากาลังเดินเนี่ยมันจะไปสะ ก, กิด จ, จิตเนี่ยที่หลงลอยไปลืมหายไปเนี่ยให้กลับมากลับมาอยู่กับปัจจุบันน มันจะช่วยได้นะเพราะว่ามันมันเป็นการเป็นการฝึกใจให้รับรู้กายมันจะต่างคนที่ชอบกระดิกนิ้วชอบเคาะนิ้วหรือชอบขย่าวขาแบบไม่รู้ตัวนะท่เคยสังเกตว่ามีคนบางคนก็ชอบกระดิกนิ้วขย่าวขา อันนี้ก็ทําโดยไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้ทาแบบนี้ทําเท่าไหร่เท่าไหร่นะมันก็ไม่ไม่ทําให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาหรอกเพราะว่ามันทําไปด้วยความหลงนะไม่ได้คิดจะทําไปเพื่อฝึกสตินะดูคล้ายๆกันนะคนที่เอามือเคาะนิ้วเคาะโต้อันิ้วเคาะโต๊ะหรือเอาคนกับกับคนที่คลึงนิ้วหรือกระดิกนิ้วเนี่ย คนหนึ่งเอามือเอานิ้วเคอะโต๊ะแต่ว่าใจลอยทำไปโดยไม่รู้ตัวคือคนหนึ่งนะครึ่งนิ้วกระอีกนิ้วแต่เขารู้ตัวอยู่บ่อยๆนะเพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยความแตกต่างกันคนแรกที่ทำไปด้วยความไม่รู้ตัวใจลอยแล้วมันก็เลยเคาะนิ้วไปเรื่อยๆทำไป น, นิสยัย ไม่ว่าทําอะไรก็ยังค้อนิ้วนั่นแหละก็ข้อต้นนั่นแหละหรือไม่ก็ขยา่ขยาวขย่าวขายี่นั่นแหละอีกแต่คนหนึ่งเขาเวลาเขาคลึงนิ้วเขากระดิกนิ้วเนี่ยเขาทาเพื่อที่จะเรียกจิตกลับมาไม่ใช่ทําเพราะเป็นนิสัยเพราะเป็นความเคยชินเพราะความหลงแต่ก็ต้องระวังนะไอ้คนที่สร้างจังหวะเดินจังกลมหรือว่าครึงนิ้ว พลิกมือไปพลิกมือมากระดิกนิ้วเนี่ยถ้าไม่ระวังนะมันจะกลายไปคล้ายๆเหมือนมือคนแรกคือทำไปด้วยความหลงไอ้ความหลงเนี่ยมันมันฉลาดนะมันพยายามใช้โอกาสเข้ามาดิดคลองจิตใจเราทุกโอกาสทุกเวลาใจเราจริงจริงมันเป็นเวทีนะเป็นสมนรภูมิการต่อสู้แย่งชิงกันระหว่างความรู้ตัวความหลง ถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยนะไอ้ความหลงนี่มันก็จะสามารถชนะใจสามารถจะยึดครองจิตใจเราได้ก็คือว่าวันทั้งวันเนี่ยหลงเป็นส่วนใหญ่รู้ตัวน้อยมันโชว์กายเข้ามายึดครองจิตใจเราทุกโอกาสไม่ว่าเวลาอาบน้ําถูฟันกินข้าวนะแม้แต่เวลาที่เราบอกว่าเอ้ยเราจะมาสร้างจังหวะเดินจงกรมเพื่อความรู้สึกตัวนะ แต่ว่าพอเผลอนี่มันก็เข้ามาคลองใจยกมือไปนะแต่ว่าใจมันหลงแล้วความหลงมันคลองใจคนเป็นอย่างนี้บ่อยมากบางคนพอถึงเวลาฟังธรรมะ ก, ก็ยกมือแล้วแต่ว่ายกมือนี่ยกมือแบบอัตโนมัตนะินะใจไม่รู้ไปไหนหรือว่ากระดิกนิ้วเลยอัตโนมัติแต่ใจนี่ไปอยู่อดีตบ้างอนาคตบนะ้าง นักปฏิบัหลายคนเป็นอย่างนั้นตางที่ยกมือสร้างจิตวิบากเป็นเพลินนะเวลาเดินออกจากกฎติก็ยกมือไปด้วยนะ่าเคยเห็นเห็นเดินเดินออกจากกฎติไปทําวัด น, นี่ยกมือนะอันนี้คงทําเป็นนิสัยตอนนั้นใจลอยนะแต่ว่าเนื่องจากมันยกเป็นยงยกเป็นกิจวัตรกันเลยเผลอยกไปโดยไม่รู้ตัว อันนี้เราว่าความหลงนี่มันเฉลี่ยอากาสนะขนาดตั้งใจจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวแท้ๆมันก็ยังเชลี่ยอกาศมาคลองจิตครองใจได้ไม่ต้องพูดถึงเวลาทําวัดนะเราทําวัดเพื่อให้เกิดใจให้ใจให้ตื่นให้ใจมีธรรมเราทําวัดเพื่ออะไรนะว่าเพื่อให้ใจมันตื่นนะสว่างแต่ว่าไอ้ความหลงก็เชลี่ยอากาสเข้ามา เข้ามาคลองใจเราขณะที่ทําวัด น, นี่แหละอะป่าพูดไปแต่ใจลอยคือไม่แต่เวลาฟังธรรมเราฟังธรรมเพื่อให้ใจมันตื่นให้ใจสว่างแต่หลายคนก็โดนความหลงเข้ามาเล่นคอมงานเล่มงานฟังธรรมะไปเนี่ยแต่ว่าใจหลับใจลอยหรือบางทีก็หลับไปเลยไอ้ความหลงนี่มัน มันฉลาดมากนะมันช่วยโอกาสทุกอย่างเลยแม้แต่เวลาทำบุญทำกุศลแม้แต่เวลาปฏิบัติธรรมเจริญสตินะทั้งที่ตั้งใจจะให้ใจสว่างนะแต่ว่าก็พ้าท่าเสียทีต้องรู้เท่าทันนะอย่าให้อย่าให้ความหูกมันมาครอบงาใจาเวลาเวลาเรายกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมน ะ, ะก็ให้ให้ เอให้มีความตั้งใจสักหน่อยนะตั้งใจว่าเออเราจะวางเรื่องต่างๆลงไม่ว่าเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแต่อย่าไปถึงกั บ, บตั้งใจมากเกินไปตั้งใจมากเกินไปมันจะไปบังคับจิตบังคับจิตไม่ให้คิดไม่ให้นึกอะไรเลยหรือมันจะไปบังคับจิตให้เพ่งอยู่ที่มือที่เท้าเสร็จ แ, แล้วก็เครียดเสร็จ แ, แล้วก็หนักหัว อันนี้เพราะตั้งใจมากไปเพียงแค่ตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติเราจะวางเรื่องราวต่างๆลงออกจากใจแล้วก็ยกมือเดินมันจะเผอคิดไปก็ไม่ยอมให้ความหลงมันคลองกิ่คลองใจได้หนากลับมากลับมารู้สึกตัว ถ้าทำํำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยนะกลับมารกลับมารู้กายเคลื<ม>่อนไหวนะกลับมารู้กายเคลื<ม>่อนไหวกลับมา ร, มารู้มือที่ยกนะทำํำบ่อยๆทำบ่อยๆนะเวลายกมือเนี่ยแล้วใจลอยเนี่ยการยกมือนั่นแหละมันจะส่งสัญญาณส่งความรู้สึกไปสกิดใจให้กลับมานะมันจะเป็นอย่างเนี้ย หม่ยเนี่ยนะเราฝึกเราตั้งใจเพื่อให้รู้สึกตัวเวลามือยกเวลาเท้าเดินนะแต่ต่อต่อไปต่อไปเนี่ยแม้ใจจะลอยอยังไงแต่มือที่ยกเท้าที่กำลังเดินเนี่ยมันก็จะจะสามารถส่งสัญญาณไปส่งความรู้สึกไปสะ ก, กิดใจให้กลับมาได้นะลองสังเกตดูนะ ใจลอยสักพักเนี่ยรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวอ๋อพอส่วมือเคลื่อนไหวมันมากับเสียงเรียกว่าให้กลับมาได้แล้วกลับมาได้แล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาสึกตัวใจมันมันมันเริ่มรับรู้แล้วมันเริ่มเก็ตแล้วว่าเออถ้ารู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวเท้าหลังเดินเมื่อไหร่แสดงว่าต้องกลับมาแล้วเหมือนลูกหมาที่มัน ที่มันออกวิ่งออกไปเล่นนอกบ้านแล้วพอได้ยินเสียงเรียกของเจ้าของบ้านมันก็กลับมามันก็รู้ตัวแล้วก็กลับมาแต่กว่ามันจะรู้อย่างนี้ได้มันใช้เวลาเนะเจ้าของบ้านก็ต้องเรียกเจ้าของหมาต้องเรียกมันอยู่แล้วเรียกเรียกเรียกเรียกมันหลายครั้งจนกระทั่งมันรู้ว่าไอเสียงเรียกเนี่ยคือเสียงให้ให้กลับบ้านแต่ก่อนมันไม่เก็ทเรียกเท่าไหร่มันก็ยังตะเลิดเปิดเปิงไป แต่พอได้นเสียงเรบ่อยๆมันรู้แล้วอ๋อเจ้าของนี่เรียกกลับมันก็กลับนะกน็กลับเร็วขึ้นกลับเร็วขึ้นกลับเร็วขึ้นอะ่ะเพราะตอนนี้เวลาถ้าเราปฏิถถ้าเราปฏิบัติอย่างเงี้ยแม้เวลาตื่นนอนมันจะ ง, วงัวเงียแต่พอขยับเนี่ยพอคอยันขยั บ, ยบนี่มันรู้สึกตัวได้ไวนะนะพอหลอกสร้างความรู้สึกตัวพอเรามันขยันสร้างความรู้สึกตัวได้การเคลื่อนไหว อยู่บ่อยๆนะพองงมัวมีรู้สึกขยับแม้จะขยับโดยที่ไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้ตั้งใจเทอะไหรขยับไปตามทิศสัยแต่พอขยับปุ๊บนี่เออมันเรียกสติกลับมาทําให้รู้สึกตัวได้ก็พยายามพยายามให้สร้างความรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันนั้นต้องโชว์กาศนะต้องเชว์ต้องแข่งโชว์อากาศ นะอย่าให้ไอ้ความหลงหรือกิเลสมันช่วยอากาศฝ่ายเดียวเราต้องเชื้ออากาศเก่งกว่มันนะไม่ว่าทําอะไรก็ทํำด้วยความสึกตัวไม่ว่าทําอะไรก็มีสติรู้กิเลสการปฏิบั่ามันก็ไม่ยากนะหลักง่ายๆคือว่า ท, ทําทีละอย่างแค่นี้แหละนะจําจําใส่ใจไว้เลยนะ การเจริญสติเนี่ยมันก็มีง่ายคือทำทีละอย่างนะเช่นเวลาล้างหน้าก็ก็ล้างหน้าอย่างเดียวนะไม่ต้องคิดโน่นคิดนี่นะไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวเช้านี้จะไปจะไปทำอะไรนะเดี๋ยวเช้านี้จะทำอาหารอะไรนะเดี๋ยวเช้านี้จะไปเจอใครบ้างไอ้นี่มันทำสองอย่างแล้วนะนะนะทำสองอย่างไม่ได้หมายความว่า อกินข้าวไปอ่านหนังสือไปนะอันนั้นก็ไม่ถูกนะหรือว่ากินข้าวไปก็ดูก็เล่นไลน์ไปอันนี้ก็ยิ่งชัดใหญ่ว่าทำสองอย่างแต่ถึงแม้กินข้าวแต่ว่าไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ได้ดูโทรทัศน์ไม่ได้ดูสมาร์ทโฟนไม่ได้เล่นไลน์แต่ใจอยาจจะลอยก็ได้ลอยคิดเป็นโนที่เป็นนี่อะนี่คือว่าทำสองอย่างกลับมาทําทีละอย่าง ถ้าลองฝึกใจนะฝึกให้เป็น ท, ที่สายทําทีไรอย่างทําอะไรก็ตามเนี่ยอาบน้ำถูฟันกินข้าวก็ไม่ต้องหาเรื่องคิด เ, เวลาทําวัดเอสวดมนต์ก็ทําอย่างเดียวก็คือสวดมนต์ไม่ต้องคิดอะไรเวลาฟังธรรมก็ทําอย่างเดียวคือฟังนะนะไม่ต้องเจริญสติไปด้วยนะ บางคนที่ทำสองอย่างนะฟังไปด้วยยกมือสร้างจอบไปด้วยยกมือเพื่ออะไรยกมือเพื่อเจริญสติเพื่ออะไรก็คือเพื่อรู้กายเรายกมือเพื่อรู้กายแต่ว่าเราก็ฟังไปด้วยอันนี้ทำสองอย่างมันไม่ถูกต้องทาอย่างเดียวคือว่าฟังก็ฟังถ้าเจริญสติรู้กายเคลื่อนไหวก็ไม่ต้องฟังให้เสียงมันเข้าหูเองนะเสียงมันผ่านเข้าหูผ่าหนหูไปก็ช่างมัน แต่ว่าเราก็เจริญสติรู้กายเลไม่ใช่เจริญสติรู้กายยกมือแข่งกันก็ฟังไว้ด้วยนะที่จะทำสองอย่างไม่ถูกพนะยายามฝึกให้ทําทีละอย่างเวลาเวลาทําการบ้านอาจวิ่งวกการบ้านไม่ต้องไปทำสองอย่างคือไปนึกถึงเพื่อนนึกถึง เขาที่จะไปเที่ยวที่ไหนดีนี่ทำสองอย่างนะอันนี้ลงถึงความกลัวความเศร้านะเวลากินข้าวก็เอาแต่เศร้าเวลาเวลาฟังทําใจมันก็เผอเศร้าเผอกังวลเผลอหนักใจนี่ก็ทำสองอย่างเหมือนกันลองดูนะสังเกตหรือทำทีละอย่างเนี่ยมันใช่มันแดมันจะสบายอาบน้ําใจก็อยู่กับการอาบน้ามันก็เกิดความรู้สึก สดชื่นโปร่งโล่งนเะวลาบินทบาใจอยู่อาการบินาบาาไม่ต้องคิดอะไรการบินทบาาก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวกินข้าวทำก็กินข้าวอย่างเดียวมันก็ไม่เครียดรนะับสัมผัสรับรู้ถึงรสชาติของอาหารนะ อาหารอร่อยก็รู้ไม่อร่อยก็รู้การปฏิวัติธรรมมันไม่ยากนะทำทีละอย่างนะทำทีละอยาแต่ถ้าเกิดว่าใจมันไม่ร่วมมือกายทำอย่างหนึ่งแต่ใจไปอีกอย่างหนึ่งเผลอไปก็แค่มีสติรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยนี่ก็ง่ายนะไม่ต้องทำอะไรแค่รู้เฉยเฉยกใจมันไปแล้วใจมันลอยไปแล้ว ใจมันฟุ้งแล้วใจมันคิดแล้วรู้เฉยๆนี่มันง่ายกว่าไปไล่ไปไปกดไปข่มความคิดไปตํามันง่ายกว่าไปยินดีกินร้ายกับความคิดไม่ต้องหลุดลอยไปตามความคิดหรือไม่ต้องไปกดข่มผักสายมันอันนั้นมันเหนื่อยไปห้ามความคิดไปห้ามจิตไม่ให้คิดมันเหนื่อย ก็แค่รู้ว่าจิตมันคิดแค่รู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านมันโกรธก็รู้ว่ามันโกรธไม่เราไปกดข่มมันไปกดข่มมันนี่เหนื่อยกว่าแต่ทําไมเราชอบทําสิ่งที่เหนื่อยสิ่งที่ยากกว่าทั้งที่มันมีวิธีที่มันสบายคือแค่รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยนี่ก็มันง่ายนะเหมือนกับเราไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ไปดูเวลาเราอยู่ไปเที่ยวทะเลแล้วก็ดูคลื่นมันซัดใส่เข้าหาฝั่ง เล้ก็ดูมันเฉยๆึ้นใหญ่ขึ้นน้อยเข้าหาฝั่งก็ดูมันไปไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องไปลำคาว่าทาไมคลื่นมันเล็กทําไมคลื่นมันใหญ่นะไม่ต้องไปโดดไปโต้คลื่นให้เหนื่อยกัปลาเห็นคลื่นมันใหญ่เอออยากจะไปสู้รถตบมือกับมันนอะมันไส้มันไปสู้กับมันนะไปทํางั้นทําไมนะ ก็เมือกัเราดูความคิดเรารู้ทันความคิดมันจะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างคิดคิดดีเราก็ไม่ไปเคลิ้นเพลินเพลินลงไหลมันคิดไม่ดีเราก็ไม่ไปสู้เราตบมือกับมันเมือนเราดูคลื่นเราก็ไม่ไปสู้เรบตบมือกับคลื่นใหญ่คลื่นน้อยที่ซัดเข้าหาฝั่งก็ดูไปดูเหมือนกับดูกระแสน้ําที่ไหลแล้วก็นั่งอยู่บนฝั่งก็ดูน้ําไหลไปอะไรจะไหลไปตามน้ําก็ช่างมัน จะมีผักตบลอยไปหมาเน่าลอยแล้วก็ดูวนไปไ ม, ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องเอาไม้ไปไปแย่ไปไปรันมันเรือสนุกเรือสำราญเล่นผ่านก็ดูเฉยเฉยไม่ต้องโจนลงโจหน้ำลงไปขึ้นเรือเหนื่อยเปล่าแค่ดูไปงั้นการการเจริญสติการสร้างความรู้สึกตัว าการฝึกใจไม่ให้หลงลอยไปไหนมันทํามันก็ทําง่ายๆนะมันก็มีทีง่ายๆ ท, ทําทีลรอย่างนะ ท, ทําทีลรอย่างกายทําอะไรก็ใจก็ไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะใจก็รับรู้ว่ากายทําอะไรแค่ น, นั้นแหละแต่ถ้าใจมันเผลอคิดหน่อยคิดนี่ก็ให้ให้มีสติรู้รู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะ ถ้าทำสองอย่างนี้ได้มันก็จิตใจมันมีที่พึ่งแล้วล่วนะเพราะว่ามันจะมีความสึกตัวอยู่เสมอนะคอยรักษาคอยคุ้มครองจิตใจถ้าไม่ทำสองอย่างนี้จิตมันก็ไม่มีที่พึ่งนะมันหลงทางก็ไม่รู้จะหาทางกลับมาอย่างไงเจ้าของก็ไม่สนใจที่จะพาไปหากลับมา ก็ถูกสัตว์ร้ายในป่านะเล่นงานเนาหรือแม่ก็หลงทางกระเซาะ ก, กระเซิงจนเหนื่อยล้าให้ใจมีที่พึ่งนะมีความรู้สึกตัวเป็นเป็นเครื่องรักษาก็โดยการทำนี่แหละแค่ทำสองอย่างทำทีละอย่างแล้วก็ให้แค่รู้เฉยๆอ่ะช้อนนี้พกกูดกระทนนี้อ่กราบครับ